ก็พอดีมีต่างชาติมาก็เลยถือโอกาสพูดกันภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็จะได้ใส่ไปใน YouTube เดี๋ยวคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ติดตามเขาก็จะได้ฟังเดี๋ยวนี้มีคนติดตามฟังเยอะฟังแล้วก็ติดใจบางคนก็มาขอมาอยู่ปฏิบัติที่นี่บนเขานี้ก็เป็นที่อยู่ของพระแต่ถ้ามีญาติโยมที่สนใจในการปฏิบัติจริงๆก็ ก็จะให้อยู่ได้แต่ต้องเป็นผู้ชายาะถ้าไม่สนใจแล้วมันจะรบกวนคนอื่นจะไปทำอย่างอื่นอย่นี้ให้ปฏิบัติอย่างเดียวให้เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ให้สวดมนต์ไม่ให้ส่งเสียงดังไม่ให้ต้องไม่ต้องมารวมกันสวดมนต์มารวมกันเฉพาะเวลามาฟังเทศเท่นานั้นแล่านั่นก็ให้ไปปรีกวยเวก แล้วการทําสมาธินี้จิตต้องจิตจะสงบได้ง่ายถ้าอยู่คนเดียวกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกคําว่าวิเวกก็สงบสงัดถ้ากายสงบสงัดอยู่ในสถานที่สงบสงัดจิตก็จะสงบสงัดถ้าอดีตชาติเคยมีความสงบในจิตแล้วพอกายสงบจิตก็จะสงบทันทีเช่นพระพุทธเจ้านี่ตอนที่เป็นเด็กมีวันหนึ่งท่าน อยู่คนเดียวอยู่ใต้ต้นไม้เพากพี่เลี้ยงต่างๆเขาไปยืมกับงานอื่นไม่มีเวลามาคอยรักใช้มาคอยปนิบัติมาคอยอยู่เป็นเพื่อนก็เลยปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวพอท่านอยู่คนเดียวใจของท่านเคยเป็นคอยมีความสงบอยู่แล้วก็เข้าสู่ความสงบโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีอะไรคอยดึงไว้ที่ใจเราไม่เข้าไปข้างในเพราะ มีเรื่องต่างๆคอยเบ่งเราไว้เรื่องแฟนเรื่องสามีเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเงินทองเรื่องอะไรร้อยแปดใจเราก็เลยเข้าสู่ความสงบไม่ได้ถ้าเราไม่เคยมีความสงบมาก่อนมันก็ต้องใช้สติดึงใจเข้าไปใช้สติดึงดึงใจให้ออกจากเรื่องราวต่างๆออกจากเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องสมบัติ เรื่องอะไรต่างๆใช้พุทโธพุทโ ธ, ธดึงใจออกจากเรื่องราวต่างๆพอเวลาเราพุทโธพุทโ ธ, ธนี่เราจะคิดถึงค น, คนนั้นคนนี้ไม่ได้นั่นเองพอเราไม่คิดถึงเขาเราก็ลืมเขาไปชั่วคราวแล้วเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้เราั้นเราต้องอยู่ห่างไกลจากคนจากเรื่องราวต่างๆพออยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็เห็นคนนั้นเห็นคนนี้ พอเห็นปั๊บมันก็อดที่จะคิดถึงเขาไม่ได้อนอกจากคนแล้วยังมีอย่างอื่นเี่ยขนมนมเลยทีวีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดมเดี๋ยวเห็นปั๊บก็อยากจะ อ, อยากจะไปยุ่งกับเขาละเห็นทีวีก็อยากจะเปิดดูเห็นมือถือก็อยากจะเปิดดูเดี๋ยวก็กดหาคนนั้นหาคนนี้เนี่ยมันเลยเข้าข้างไหนไม่ได้ แต่ต้องไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีของเหล่านี้อยู่คนเดียวปีกวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกบางคนมาอยู่ที่นี่ก็ยังเอามือถือมาด้วยยังเปิดดูอยู่เนี่ยไม่มาทําไมอย่ามาดีกว่ามันก็เหมือนกันมือถือมันก็ไปเชื่อมให้เรากลับไปอยู่ที่บ้านอยู่ดีเดี๋ยวก็โทรไปหาคนนั้นโทรไปหาคนนี้เป็นห่วงเขาสบายดีหรือเปล่าแม่อยู่ที่นี่ลูกทำเวลาอยู่ นี้มันยนี้ยังไม่กลายวิเวทกลายวิเวทแต่ใจไม่วิเวทใจ ย, ยังคิดถึงเขาอยู่แต่สมัยก่อนเนี่ยไปอยู่วัดหลวงตานี่ท่านห้ามไม่ใไม่ให้มีเรื่องราวต่างๆวิทยุโทรศัพท์ทีวีโทรศัพท์ทัานเรียกว่าเทวทัศพวกเทวทัศ์พวกทําลายศาสนาพวกทาลายความสงบเรียกเทวทัศน ไฟฟงไฟฟ้าใช่ไมเ อ, เ, นะเอาเข้าเอาเข้าเนี่ยมันแอบเอาวิทยุเข้ามาเสียบ ฟ, ฟังได้เอาเทปเข้ามาเปิดได้เอาอะไรเข้ามาได้อะไรก็ต้องห้ามหมดนะถ้าเราอยากจะภาวนาให้ได้ผลเราต้องหาที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างใจจากรูปเสียงกลิ่นรสห่างไกลจากคนนั่นคนนี้นะแล้วภาวนามาอยู่ที่เดียวกัน ที่ปฏิบัติก็อย่ามากระโมกันอยามาโคเคลียกันอย่มาจับกลุ่มคุยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติใจถึงจะสงบได้ถ้าสงบแล้วใจจะมีความสุขมากแล้วใจจะเลิกพึ่งคนนั้นคนนี้พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตอนนี้เราต้องพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าเราทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขได้เราไม่ต้องพึ่งใครนะ้ไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องพึ่งเงินทองเข้าของอะไรต่างๆร่นางกายก็ให้มีกินแค่วันละมื้อก็พอละถ้ามันหิวก็ให้มันดื่มน้ําแค่นี้จบละสบายใจมีความสุขใจมีความอิ่มความพอถ้าเราทําใจให้สงบได้ นี่คือสิ่งที่พวกเรามาหากันมาทากันพระพุทธเจ้าหาสิ่งนี้ได้สิ่งนี้แล้วก็เอาสิ่งนี้มาสอนพวกเราวิธีทาใจของเราให้มีความสุขทำใจของเราให้มีความสงบทำใจของเราไม่ให้มีความทุกข์การไม่มีความทุกข์ก็คือเราต้องไม่พึ่งอะไรเพราะสิ่งที่เราพึ่งนี้มันจะให้ความทุกข์กับเราไม่ช้าก็าเร็วเพราะว่ามันไม่เที่ยง สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเวลาจากกันนี่มีใครยิ้มมมีแต่ร้องไห้เพราะว่าเราไปพึ่งเขาเราไปพึ่งเขาให้ความสุขกับเราเวลาเราอยู่กับเขาเรามีความสุขพอเขาจากเราไปเราก็มีความทุกข์เข้ามาแทนที่แต่ถ้าเรามาปฏิบัตินั่งสมาธิได้ เรามีความสุขจากการนั่งได้เราก็ไม่ต้องพึ่งใครมเมื่อเราไม่ต้องพึ่งใครเราก็อยู่คนเดียวได้เราก็ไม่ต้องมาทุบ ก, กับเขาไม่ต้องมาห่วงเขาไม่ต้องมากังวลกับเขาไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาร้องไห้เวลาเขาจากเราไปเพราะเราไม่ต้องอาศัยเขาแล้วเรามีความสุขที่ดีกว่าดีกว่าเขาที่จะให้เราอีก ความสุขที่เราได้จากสมาธิความสงบเนี่ยมันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นเหนือกว่าความสงบไม่มีนัสติสันติบาลังสุขทังนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบแล้วก็มาสอนพวกเราให้พวกเรามีความสุขในตัวเองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับคนอื่น ถ้าเราต้องไปพึ่งคนอื่นเราจะต้องทุกข์กับเขาเวลาที่เราพึ่งเขาไม่ได้เวลาที่เขาไม่ทำตามที่เราสั่งเราก็ทุกข์ละสั่งให้เขาไปหยิบขนมมาให้กินเขาไม่ไปหยิบมาให้เราก็ทุกข์ละสั่งให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาก็ไม่ทำเราก็ทุกข์ละงั้นอย่าไปสั่งอย่าไปพึ่งใครดีกว่าพึ่งใจดีกว่าสั่งให้มันสงบอย่างเดียว สงบนิ่งเงียบ อ, อย่าคิดอย่าปรุงแตง่งพุโทโธพุโทโธสั่งมันสิอของสั่งได้ไม่สั่งสั่งให้มันพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็สงบนิ่งเยน็นสบายมีความสุขนี่แหละของแท้ของจริงของที่ไม่มีวันจากเราไปอของเราสั่งได้ไม่เอา ถ้าไปสั่งของที่สั่งไม่ได้ก็สั่งไม่ได้ก็เสียใจร้องโหมร้องไห้โกรธเขาอีกอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอีกเพราะเทวทัตจะสั่งให้พระพุทธเจ้าตั้งให้เขาเป็นผู้ปกครองสงฆ์พอพระพุทธเจ้าไม่ไม่รับคําสั่งก็โกรธพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันก็เลยต้องไปตกนรกเพราะความอยากอยากจะมีความสุขจากการ สั่งคนอื่ให้เขาแต่งตั้งให้เราเป็นใหญ่เป็นโตเราก็ไม่แต่งตั้งให้เราเป็นใหญ่เป็นโตก็โกรธเขาก็เลยพยายามฆ่าเขาถึงสามครั้งการพยายามฆ่าพระเจ้านี้ถือว่าเป็นบาปหนักมากถึงแม้ไม่ฆ่าเพียงแต่ทําให้ห่อเลือดก็บาปนะเป็นบาปหนักบาปหนักนี่มีอยู่ห้าประการด้วยกันห้าชนิดด้วยกันหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่ 3. ามฆ่าพาระอาหารสี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าทำให้สงแตกแยกการทำลายสงนี่เป็นการทาลายสถาบันที่มีคุณค่าที่สุดที่เป็นประโยชน์กับเราที่สุดไปเหมือนกับพ่อแม่ที่มีคุณค่าพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนพ่อแม่พระสงฆ์เป็นพ่อแม่ทางจิตวิญญาณพระสงฆ์นี่จะให้ความรู้ ที่จะทาให้เราหนุด้นจากความทุกข์ต่างๆได้พ่อแม่ก็ให้ความรู้ให้ร่างกายเราให้รา่างให้เราอยู่อย่างปลอดภัยเลี้ยงดูเราอย่างดีให้ให้ความสุขทางร่างกายประสงค์ให้ความสุขทางจิตใจฉะนั้นการทำลายสิ่งที่มีคุณค่านี้ถึงโทษเป็นโทษหนักมากฉั้นอย่าทำ การที่เราไปทำต่างๆเหล่านี้ก็เพราะเราไม่สามารถทำใจให้เรามีความสุขได้เราก็เลยต้องออกไปหาความสุขข้างนอกแทนแต่ความสุขข้างนอกมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขชั่วคราวมันมีวันหมดงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงไม่มีวันที่จะเลี้ยงกันไปทุกวันไม่มีวันสิ้นสุดวันตายก็คือวันสิ้นสุดของของงานเลี้ยงเนี่ยฉน้ ขอให้เราเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราไปคิดว่าเป็นความสุขได้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนน้ําตาลเคลือบยาขมนะผิวบางๆแท่นั้นเองเวลาได้อะไรามาใหม่ๆก็สุขพอได้มาแล้วก็เริ่มทุกข์แล้วทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความห่วง แล้วทุกข์เพราะความเสียใจเวลาสิ่งที่เราได้มาเปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นไม่ดีจากเคยสั่งได้มาสั่งไม่ได้วเวลาใหม่ๆสั่งให้ทำอย่างนงี้นทานี้มันทำให้หมดเหมือนรถเนี่ยใหม่ๆซื้อมาสั่งให้มันวิ่งไปไหนมาไหนมันทำได้หมดแต่พอใช้ไปสักพักก็เหนียวมันเบื่อแล้วเห็ตนะตาร์ก็ไม่ติดแล้วเดี๋ยวยางแตกและไม่ไปทละ ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ว่าข้าวของหรือคนคนก็เหมือนกันใหม่ๆก็ดีรับใช้เอาอกเอาใจแต่พออยู่กันไปสักพักอะไรนี้ขี้เกียจแล้วใช้ก็ไม่ไปแล้วใช้ก็ทําเป็นลืมบ้างอะไรบ้างนะให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นความสุขเดี๋ยวเดๆความสุขตอนต้นแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ เพราะหวงเนี่ยหวงก็ทุกข์ละพอเขาไปคุยกับใครสักหน่อยก็ห่วงขึ้นมาทุกข์ลวเอ้เขาคุยเรื่องอะไรกันเวลาไม่เห็นหน้ากันก็หว่วงละไอ้เป็นอะไรหรือเปล่า <c oughs> แล้วเวลาจากกันจริงๆก็เสียใจร้องหม่มร้องไห้ <c oughs> ของทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง <c oughs> มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เทียง มันไม่แน่นอนมันต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งทุกเพราะว่าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้บางทีก็สั่งได้บางทีก็ห้ามได้แต่บางทีก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้พอห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ก็เสียใจทุกใจนี่คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษากันให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างนี่ เป็นทุกข์หมดมีสิ่งเดียวที่ไม่ไม่เป็นทุกข์ก็คือความสงบใจที่สงบนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบได้แล้วเราสั่งมันได้อยากจะให้สงบเมื่อไหร่สั่งได้ ท, ทันทีนั่งหลับตาปุ๊บเดียวสงบลยิ่งถ้ามีปัญญาแล้วไม่ต้องนั่งก็ได้สั่งให้มันหยุดอยากมันก็สงบลว ดคิดมันก็สงบนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาทำกันก็คือมาหาของแท้ของจริงหาความสุขแท้ความสุขจริงความสุขแท้ความสุขจริงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบเบื้องต้นความสงบที่เกิดจากการทำจิตให้นิ่งให้สงบขั้นที่สองก็ทำให้มันสงบด้วยการตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ถ้าไม่มีความโลภความอยากแล้วใจจะนิ่งจะสงบโดยอัตโนมัติเหมือนน้ำน้ถ้าไม่มีใครไปตักไม่มีใครไปเล่นน้ำในสระเนี่ยไม่มีใครลงไปกระโดดน้ำไปว่ายน้ำไปตักน้ำน้ำมันก็จะนิ่งแต่ถ้ามีคนไปตักน้ำไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำน้ำมันก็จะกระเพื่อมไม่นิ่งใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเราไม่คิดอะไร ไม่คิดอะไรไม่มีความอยากไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจเราก็จะนิ่งพอนิ่งแล้วมันก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพ อ, อยังต้องพยายามทําให้ได้วิธีที่จะทําใจให้สงบได้ก็ต้องใช้สติบังคับความคิดหยุดความคิดสตินี้เป็นเหมือนเบรครถยนต์รถยนต์จะหยุดได้ต้องใช้เบรกถ้าไม่เหยียบเบรกรถมันก็จะวิ่งไปเรื่อย ใจก็เหมือนกันถ้าไม่ใช้สติมันก็จะคิดไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้มันหยุดคิดก็ต้องใช้สติสตินี้ก็มีอยู่40วิธีวิธีสร้างสติมี40ิวิธีเรียกว่ากรรมฐาน40เนี่ยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสร้างสติพอมีสติเราก็จะหยุดความคิดได้เช่นพุทธโธนี่ก็เรียกว่าพุทธานุสติเรเลิกถึงพระพุทธเจ้า อย่างที่เมื่อวานก็พูดว่าเราเลิกได้สองวิธีเราเลิกเล่เราเลิ ก, เเล ก, เเลกถึงพระพุทธคุณเช่นส่วนบทพุทธคุณอิติปิโสผักกวาไปถ้าเราสวดเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราสวดแล้ว เ, เมื่อเราก็หยุดเราดูซิว่าคิดหรือเปล่าถ้าใจมันเมื่อแลนะ้วมันก็จะไม่คิดถ้ามันคิดก็สวดต่อถ้ามันหยุดคิดก็ไม่ต้องสวด มันรถนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกแล้วมันยังไหลอยู่ก็ต้องเหยียบไปเรื่อยๆพอมันหยุดไหลแล้วแล้วก็ถอนเบรกออกได้พอมันจะไหลใหม่เราก็เหยียบใหม่ใหม่ๆนี้ต้องเหยียบนานหน่อยใหม่ๆต้องส่วนมากหน่อยต้องพุโทโธบ่อยนแต่พอต่อไปมันหยุดแล้วทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องพุโทโธบ่อยรอแต่เวลามันจะมันจะคิดที่นั้นเราก็พุทธโท น, นี่คือวิธีที่เราจะทําให้ใจเราสงบมีความสุขไม่ว่าเราทําอะไรต้องให้มีพุโทโธกํากับอยู่กับใจอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เราทําอย่างเดียวเป็นกลาลังล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันหวีผมก็อยู่กับการหวีผมอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ํารับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าส่งใจไปที่อื่น แล้เวลานั่งสมาธิมันจะสงบมันจะไม่ไปที่อื่นที่มันไม่สงบเพราะมันไม่อยู่กับการนั่งมันจะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้มันก็เลยไม่สงบแต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิให้มันพุทธโทอย่างเดียวมันก็จะพุทโธอย่างเดียวให้มันดูลมอย่างเดียวมันก็จะดูลมอย่างเดียวถ้ามันอยู่กับเรื่องเดียวเดียวมันก็รวมเป็นหนึ่งพอรวมเป็นหนึ่งมันก็นิ่งสงบ เป็นเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมามีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอพอเรารู้แล้วว่าจุดยืนของจิตเราอยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็พยายามรักษาให้มันอยู่ตรงนี้เวลาออกจากสมาธิก็ใช้พุโทโธพุโทโธดึงเอาไว้ยาให้มันออกไปจากตรงนี้มันจะออกก็ต่อเมื่อมันเกิดความรักขึ้นเห็นอะไรแล้วมันรักมันก็จะออกไปหาทันที เราก็ต้องดึงมันกลับมาใช้พุโทโธดึงหรือใช้ปัญญาดึงก็ได้บอกว่าสิ่งที่เรารักนี่มันทุกข์นะได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะทุกข์นะเพราะเดี๋ยวจะต้องจากกันนะให้คิดอย่างนี้มันก็จะหยุดรักหยุดอยากมันก็จะกลับมายืนอยู่ตรงจุดอุเบกขาคือเฉยเฉยไม่รักไม่ชังต่อไปชังก็เหมือนกันชังก็อย่าไปชังชังแล้วทุกข์นะชังแล้วใจร้อนนะ อย่าไปชังเขาเขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปชังเขาเขาดีเขาชั่วเดี๋ยวเขาก็รับผลดีผลชั่วของเขาเองเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามความชังได้เดืงใจเรากลับเข้ามาอยู่ที่อุเบกขาเดืงกลับด้วยพุทธโธพุทธโธก็ได้เดืงกลับด้วยปัญญาก็ได้ว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ เขาจะมาเขาจะไปเขาจะดีเขาจะชั่วเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปชังก็ไม่เลยเปลี่ยนอะไรเขามันจะทําให้เราทุกข์ไปปล่าๆเวลาเราชังสอนใจด้วยปัญญาแล้วต่อไปใจมันจะเฉยมันเห็นอะไรแล้วก็จะเฉยถ้ามันไม่เฉยก็ใช้ปัญญาให้มันเฉยถ้ามันจะรักก็สอนว่าทุกข์นะถ้ามันจะชังก็สอนว่าทุกข์นะเวลาชังแล้สุขด้วยทุกข์เวลาเห็นอะไรชังขึ้นมาก็ทุกข์แล้ว ถ้าอย่าชังไม่ดีกว่านะใช้เฉยดีกว่าเนี่ยนี่คือวิธีที่จะทำให้ใจเรามีความสุขตลอดเวลาขั้นต้นก็ใช้สติดึงใจให้เข้ามาอยู่ที่จุดที่สงบที่เป็นอุเบกขาขั้นที่สองก็ใช้ปัญญารักษาให้มันอยู่ในจุดนั้นเวลามันจะออกจากจุด น, นี้ไปก็ใช้ปัญญานึงกลับเข้ามาต่อไปมันก็จะไม่ออกไป อ๋อถ้ามันรู้ว่าออกไปแล้วทุกข์มันก็จะไม่ออกไปแต่ถ้าใช้สติมันไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ให้ออกไปสติเพียงอย่างดึงไว้เฉยๆแต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมมันไม่ให้ออกไปปัญญาจะเป็นผู้ชี้บอกว่าออกไปแล้วทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไปต้องหมดไปทำไํำใ่้เราทุกข์อย่าออกไปอยู่กับจุดที่ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงดีกว่า ไม่ต้องไปรักษาอะไรไม่ต้องไม่ต้องกลัวร่างกายมันจะตายปล่อยมันตายไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะตายถ้าไม่มีใครมาห้ามได้ถ้าเรารู้ว่าห้ามไม่ได้เราก็จะไม่กลัวที่เรากลัวเพราะคิดเราคิดว่าเรายังห้ามมันได้ยังหนีได้แต่หนีไม่พ้นหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคือความตาย นี่คือปัญญาที่พระเขียนไว้ที่ใบตาลปัดนี่เป็นเป็นปัญญาเท่านั้นไปไม่กลับคือร่างกายหลับไม่ตื่นก็คือร่างกายฟื้นไม่มีก็คือร่างกายหนีไม่พ้นความตายจำมาไว้แล้วเราจะได้ไม่ไปรักไปชังกับใครไม่ไปอยากได้อะไรอากใครไม่กลัวอะไรอย่างมากก็แค่ตาย ยังไงก็ต้องตายแล้วไปกลัวทำไมพอมีปัญญาแล้วมันไม่กลัวมันไม่หลงมันเห็นอะไรมันก็จะไม่มีความคิดว่าดีหรือสุขมันจะรู้ว่าทุกข์ทั้งนั้นนี่คือวิธีปฏิบัติที่จะทาให้จิตของเราอยู่เหนือความทุกข์วิธีที่จะทำให้จิตของเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้ เพราะการพึ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการหาความทุกข์กันเองเพราะสิ่งที่เราพึ่งมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวไม่ไปช้าก็เร็วก็จะพึ่งเขาไม่ได้นีไม่ดีเขาจะมาพึ่งเราเพิ่งเวลาก็เป็นเอามาพึ่งกรรมภาพขึ้นมานี่เป็นใครจะพึ่งใครแล้วนย่านี้ตอนที่เขาแข็งแรงเขาก็เราก็พึ่งเขาแต่พอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปนําพึ่งกอมภาพขึ้นมา เราก็อย่าอยากจะทิ้งเขาแลสิใช่ไหมเวลาเขาแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยอหวงพอไม่สบายเป็นนํารมณ์กรรมภ์พาดให้ความสุขกับเราไม่ได้ทีนี้ก็อยากจะทิ้งเขาเลยสิเราไม่คิดว่าเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เวลาเราได้อะไมาเราคิดว่าเขาจะดีไปตลอดเขาจะแข็งแรงไปตลอดเขาจะทําหน้าที่ ให้ความสุขกับเราไปตลอดอวันดีคนดีเขาเปลี่ยนไปได้<ม>เขาเจ็บไข้ได้ป่วยได้พิกลพิการขึ้นมาได้มไม่สามารถทําหน้าที่ให้ความสุขกับเราได้<ม>ตอนนั้นเราก็จะทุกข์กับเขาแนละ้ว<ม>ต้องเลี้ยงเขา<ม>ต้องเลี้ยงเขาต้องอาบน้ำให้เขา<ม>ต้องขนอุจจาระให้เขา<ม><ม>ปัสสาวะให้เขา ทำทุกอย่างให้เขาหมดเป็นเหมือนเป็นเหมือ น, น, อนลูกตอนนั้นก็รายกายเป็นความทุกข์ขึ้นมานะให้มองสิ่งเหล่า น, นี้แล้วเราจะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรมีแล้วมันจะทำให้เราทุกข์อย่างน้อยก็เป็นภาระละลมีสมบัติก็ต้องห่วงละต้องห่วงละต้องกังวลละตอนนี้ก็คิดถึงที่บ้านเป็นอะไรหรือเปล่าฝนตกน้ำท่วมหรือเปล่าห่วงขึ้นมาแล้ว แัน้นเราหัดมาปฏิบัติทำกันดีกว่ามาหาความสุขทางใจกันดีกว่าพอเราได้ความสุขทางใจแล้วเราทิ้งทุกอย่างได้ไปอยู่ในป่าในเขาได้สบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกงังวลอยู่ในเขาก็ไม่มีน้ำท่วมแน่นอนไม่ต้องกังวลนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงเนี่ย พระพุเจ้าพระอะไรนี่ท่านอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นท่านปฏิบัติในป่าในเขาท่านบรรลุในป่าในเขาแล้วท่านก็อยู่ในป่าในเขานานๆท่านก็ออกมาสงเคราะห์ญาติโยมกันมาโปรดญาติโยมมาสั่งสอนญาติโยมแต่ส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ในป่าในเขาเพราะเป็นที่สงบที่เหมาะกับกอบความวิเวกของจิตะกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกขึ้นมา งั้นก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาข อ, อนุมโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปะริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางังอุปกาปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมขวาสมิจตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพีตโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตพาตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะ พัวคทว า, านาสีลิสะนิจจังุทธาประจายโนจตาโรโธมวาวทานติอายุวโนสุขังภาลางังถ้าอยากได้หนังสือซีดีก็เชิญหยิบไปได้นะเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนคู่คมือปฏิบัติเวลาเราจะขับรถเรายังต้องเปิดดูคู่มือเลย ่ารถสตาร์อย่างไร<ม>เข้าเกียร์อย่างไร<ม>ใจเราก็เป็นเหมือนรถเราจะขับใจเราเราต้องมีคู่มือมใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะใครอยากจะถา ม, มเดี๋ยวจะมีคำถามจากผู้ติดตามทางบ้าน<ม>วันนี้มีเท่าไหร่ทางเ c e b o o k วันนี้เฟซบุ o กสูงสุดสามร้อยแดค่ะสามร้อยแปเจสิบเก้าเ่็ดสิบเกเพราะเริ่มต้นมนาษาังกฤษนะ ตอนเริ่มต้มาานาอังเกษก็ม้วนเลยออถอยฟังไม่รู้เรื่องมีคำถามยังของหนไม่มีค่ะของหนูปเป็นอะไรยู u ูบเหรอนะ Facebook YouTube ย่ะ YouTube ไม่ค่อยมีคนเขียนถามเท่าไหร่นะ<า>เอาเลยถามได้เลยคำ ถ, ถามจากคุณนวพร ถ้าเราเลี้ยงปลาในอ่างบัวเพื่อให้ปลากินลูกน้ำจะเป็นบาปไหมเจ้าคะก็ปลาปลามันก็บาปนะใชแต่มันก็เป็นธรรมชาติของปลามันก็ยังต้องใช้กรรมอยู่มันก็ยังต้องกินยังต้องฆ่าอยู่มันก็ยังต้องกลับมาเกิดต้องไปอบายต่อต้องอยู่ในอบายต่อไปจนกว่ามันไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องกินของมีชีวิต เช่นพวกกินกินผักกินหญ้าอะไรพวกนี้แล้วต่อไปมันก็จะหมดกรรมมันก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้ามันยังต้องกินของที่มีชีวิตอยู่มันก็เดี๋ยวนี้เขามีอาหารปลาไม่ใช่เลยถ้ามันกินอาหารปลาที่ไม่มีทางนี้เลี้ยงลูกน้องก็ซื้ออาหารปลาให้มันกินเนยมันก็จะได้ไม่ทําบาปแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่ามันทําบาปหรือไม่ทาบาปแต่มันก็จะไม่ได้ทาบาปเพราะมันจะไม่ได้ฆ่า ถ arnos, ้าเราอยากจะช่วยมันก็อย่าเอาลูกน้ําไปเลี้ยงมันเขาเลี้ยงปลาเพื่อให้เห็นลูกน้ำอ๋อก็เดืนนี้เขามียากันไม่ให้ยุงเพาะเชื้อเนี่ยเพาะเพาะไข่ก็โรยยาเข้าไปเลยน้ําแทนคําถามจากคุณดีดีค่ะนิพพานไม่เกิดไม่ดับอยู่แล้วไม่ใช่ทำชนิดไหนไม่ใช่ทั้งอัดตาและอ่านตา นิพพานมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปอล่าครับนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์เนี่ยใจที่สกรปรกหลังจากที่เราชำระด้วยศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นใจที่สะอาดมันก็เรียกว่านิพพานเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกเร า, เาไปซักเลแล้วก็เรียกว่าสปกปรกเสื้อผ้าที่สปกปรกพอเราซักเสร็จแล้วมันสะอาดแล้วก็เรียกว่าผ้าผ้าสะอาดเท่า น, นั้นเองมันก็เป็นผ้าผืนเดียวกันนี่แหละ นิพพานก็ใจอันเดียวกันนะ่ะใจที่สกปรวกด้วยความโลภโกรธโงพอชําระด้วยศีลสมาธิปัญญามันก็สาดล้วก็เรียกว่านิพพานนั่นเองไม่เวียนใช่เป็นของเลือกรับอะไรเลยของตรงไปตรงมาและตัวของตัวปฏิบัติอนตัตตาทำเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะได้ปล่อยวางที่ของที่เราไปยึดเงี้ยของที่เราไปยึดนี่เราไปคิดว่าเป็นของเรา แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นของทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เจ้าของที่แท้จริงก็คือดินน้ำลมไฟเรายืมเข้ามาเอเวลากินข้าวเราก็ยืมดินเข้ามามดื่มน้าก็ยืมน้ำเข้ามาลมก็หายใจเข้ามาก็ยืมลมเข้ามาพอดินน้ำลมมาผสมกันมันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาความร้อนขึ้นมาแล้วก็เปิด เป็นอาการสาสิบสองขึ้นมาท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวพอมันหยุดทำงานหยุดหายใจลมก็ไม่เข้าน้ำก็ไม่เข้าที่มันมีแต่จะออกเดี๋ยวน้ำก็ออกลมก็ออกไฟก็ออกไปเดี๋ยวทิ้งไว้ร่างกายก็เหลือเป็นดินไปเนี่ยทุกอย่างเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราที่ให้สอนจะได้เห็นความจริงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายเราวนี่เปลี่ยนแปลงทุกทุกวินาทีครับถมจากคุณนกอยากไปปฏิบัติธรรมบ้างแต่ภาระทําโลกเยอะมากคะ่ะหลายห่วงคะ่ะไม่รู้จะทําอย่างไรกราบขอคําปรึกษาด้วยคะ่ะเอามีดมาตัดสิหามีดมาตัดอที่จะตัดก็คือปัญญา คืออะไรก็คือเทวทูวตสี่เนี่ยพยายามนึกถึงเทวทูวตสี่เรื่อยๆเดี๋ยวต้องแก่แล้วนะเดี๋ยวต้องเจ็บแล้วนะเดี๋ยวต้องตายแล้วนะอพอคิดอย่างนี้บ่อยๆมันก็ไปได้เพราะมันไม่รู้จะแก่มันจะเจ็บเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่คอเราอาจจะเจ็บได้ตายได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะอคนสมัยนี้มีโรคอะไรปุ๊บปั๊บโผล่ขึ้นมาเด<น>ี๋ยว<น>ไปปวดท้องหน่อยไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วอ เผลอไปไม่กี่วันตายแล้แล่ะให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะตัดสิ่งต่างๆที่เรามีความผูกพันได้คำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะความรู้ที่อบรมสั่งสอนจิตจากการนั่งสมาธิทำไมถึงไม่สามารถนำความรู้นั้นออกมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันคิดไม่ออกค่ะต้องให้เวลาผ่านไปพักใหญ่ๆหรือข้ามวันถึงจะนึกออก เป็นเพราะสติจำไม่ทันหรือเปล่าคะเพราะเราคิดไม่บ่อยนะเหมือนท่องสูตรคูณยัยงจาไม่ได้ต้องคิดจนกระทั่งจำได้คิดจนกระทั่งพอเห็นอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังาาไปหมดเห็นอะไรก็เป็นดินน้ำลมไฟไปหมดเห็นอะไรก็เป็นสุภะไปหมดเห็นอะไรก็เป็นโครงกระดูกไปหมดเห็นไหมเนี่ยโครงกระดูกมีทั้งหมดกี่โครงเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดสิบสองสิบสสิบเจ็ดครองนี่เห็นไหมไม่มีเห็นสักคนเลยมันต้องเห็นตลอดเวลาทั้งนี้เรียกว่าปัญญาถ้าถ้าเห็นบางเวลานี่เรียกสัญญาอยู่อจําถ้าสัญญามันก็จําได้มันก็ลืมได้แต่ถ้าปัญญามันจะไม่ลืมยังนต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นปัญญาให้มันจําได้ตลอดเวลา เห็นอา ก, การสามสิบสองตลอดเวลาเห็นโครงกระดูกตลอดเวลาเห็นความตายตลอดเวลาเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลาถ้ามันเห็นตลอดเวลาแล้วกิเลสมันจะมาหลอกเราไม่ได้มันจะมาทําให้เราทุกข์ไม่ได้เพราะเราจะไม่ยึดไม่ติดอะไรคําถามจากคุณการโยอมให้คนยืมเงินแต่ไม่ได้คืนขอจะติดหนี้แล้วมาชดใช้เราในครบหน้าหรือไม่คะ พยายามทําใจว่าไม่ได้คืนก็ทําทานให้เขาไปแต่ใจไม่ยอมหยุดคิดขอคําแนะนํำจากล้าจานได้ค่ะคือชาติหน้าทั้งเขาเวลาเข้าไปเกิดชาติหน้าก็าคงจะถูกคนมายืมเงินไปแล้วไม่ใช้ส่วนเราชาติหน้าก็คงจะอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้เราแล้วก็แด้จะได้คืนเองอ่ะทํำอะไรไ ม, มันก็จะได้คืนถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ต้องรองชาติหน้าไม่ต้องกลัวไม่มีหาย่ะ ของตัวอย่างมันไปแล้วก็ต้องกลับของนี่มันมาแล้วมันก็ต้องไปอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเด้งไปเด้งมาเหมือนนู่นปิงปองอะถ้ามันลงเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นถ้ามันขึ้นนะเดี๋ยวมันก็ต้องลงงั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเวลาขึ้นก็ดีใจพอเวลาลงก็เสียใจอยู่กับความสงบดีกว่าอันนี้ไม่เด้งอันนี้จะอยู่กับเราไปตลอดคำถามจากคุณมัณฑนา ยุงกัดแล้วตกตายบาปหรือเปล่าคะถ้าไม่ตกเราก็จะเป็นไข้เลือดออกค่ะอ่ามันกัดแล้วมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่เลยจะต่อมันยต่อมัอมันก็มันก็เอาเชื้อเข้าร่างกายแล้วถ้าไม่ตอมันก็บาปนะคำถามจากคุณพาวินีคำว่าพิจารณาซ้ำซ้ำซากจากหนังสือพระอาจารย์ถ้าเราจะพิจารณาดินน้าลมไฟแบบซ้ำซ้ซาก ขอพระอาจารย์เมตายกตัวอย่างให้ให้ใหฟังเจ้าค่ะออก็เมื่อคีนก็เพิ่งยกตัวอย่างให้ฟังพัฒนาร่างกายเนี่ยเนี่ยมันมาจากดินน้ําลมไปอาหารที่เรากินเข้าไปก็มีทั้งดินมีทั้งน้ำํำผสมกันฮะลมก็หายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาน้ําเราก็ดื่มเข้าไปอยู่เรื่อยๆไฟมันก็เกิดจากการผสมของดินน้ําลมเนี่ยพอดินน้ำเวลากินข้าวเสร็จใหม่ๆรู้สึกร้อนในร่างกายร้อนขึ้นมา พอมันเริ่มมีปฏิกิริยาทางเคมีมันก็จะผลิตความร้อนออกมาให้กับร่างกายแล้วมันก็ไปไปเสริมอวัยวะต่างๆไปทาให้ผมยาวขึ้นทาให้เล็บยาวขึ้นทำอะไรต่างๆให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เวลาเริ่มต้นมันก็ใส่สีอย่างนี้มาสร้างขึ้นมาเวลาเริ่มก่ะตัวในท้องแม่มันก็มีแค่น้ำสองหยดแล้วมันก็สายดินน้ำนมไฟค่อยๆมา มาเกาะตัวขึ้นครับสร้างอาการอวัยวะอย่างที่าชิ้นเท่าอันอแล้วต่อเดี๋ยวพอครบสาสิบสองอาการก็คลอดออกมาแล้วก็มากินน้ํามาเติมมันก็เรื่องของธาตุทั้งนั้นอนะ่ะเอาดินน้ําลมไฟเข้ามาแล้วก็อยู่กับร่างเสริมร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นทำมันจากดินน้ําลมไฟแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปมันก็แยกทางกันถ้าทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวน้ําก็ไหลออกมาใช่ไหมปิดจมูกเนี่ย มีน้ำไหลออกมาแล้วก็ถ้าไม่เปิดเดี๋ยวมันมันก็พองแล้วก็มันก็มันก็เฟะมันก็แตกน้าเหลืองน้าเลือดอะไรมันก็ออกมาตามทวารต่างต่างต่อไปมันก็แห้งกรอบผุพังกายเป็นดินไปส่วนความร้อนเนี่ยมันหายไปนะตั้งแต่พอเริ่มตายไปจับที่ร่างกายเนี่ยมันเย็นเฉียบแล้วลมมันก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นใช่ไม กินที่เราดมนี่ก็เป็นนมธาตุนมที่ยอยู่นี่ก็คือดินน้ํำนมไฟทุกสิ่งทุกอย่างก็ทํามาจากดินน้ําลมไฟเนี่ยกุเตะแล้วนมันมาจากอะไรเนี่ยต้นไม้ต้นไม้มันก็ต้องมีดินมีน้ํามันถึงจะโตขึ้นมาได้แล้วก็เอาไม้จากต้นไม้มาทําพื้นทําอะไรต่างๆสังกะสีนี่ยก็มันก็แร่ไม่ใช่มันก็เป็นแร่ธาตุดินไม่ใช่ขุดมาจากบนดินแล้วก็มาผลิตมันให้เป็นแผ่นเป็นอะไรไป ของตัวอย่างมันมันเป็นธาตุทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าอะไรเนี่ยร่างกายเราทุกอย่างที่เราแตะเราต้องถุงพลาสติกระดาษอะไรพวกนี้มันธาตุทั้งนั้นน่ะเข้าใจไหมออมารู้จะให้สอนให้พิจารณายัางไงขอมูวนี้มันสาคัญที่สําคัญก็คือร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยให้พิจารณาว่ามันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟมันจะไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เราไปตลอด เป็นเป็นพ่อแม่เราชั่วคราวเป็นพี่เป็นน้องเราชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปไอเคินอย่างนี้จนกระทั่งต่อไปจะมองไม่เห็นพ่อเห็นแม่เห็นแต่ดินน้าลมไฟแต่ก็ไม่ลืมว่าพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่มันก็มันมีสองส่วนตอนที่ยังรวมกันอยู่ก็เป็นพ่อเป็นแม่เดี๋ยวพอมันไม่รวมกันแล้วมันก็กลายเป็นดินน้าลมไฟไป อย่างนี้ต้องคิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจําได้เห็นอะไรก็เห็นเป็นดินน้ำนมไฟไปเห็นอะไรก็เห็นเป็นอาการสามสิบสองไปเห็นโครงกระดูกเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยบางคนตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นโครงกระดูกของตัวเองเลยไม่เคยดูไม่เคยมองเข้ามาข้างในไม่เคยเห็นปอดไม่เห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ของตัวเองเลยเห็นแต่คิ้วเห็นแต่ตาเห็นแต่จมูกเห็นมีอยู่แค่นั้นเห็นแต่ผม แล้วก็หลงว่าเป็นตัวเราของเราพอคิ้วพออพอหนังมันหิวมันย่นขึ้นมาก็ทุกข์แล้วพอผมขาวขึ้นมาก็ทุกข์แล้วพอฟันหลุดก็ทุกข์แล้วไม่เห็นว่ามันไม่เพี้ยงนะต้องคิดใจบ่อยๆเอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญาแล้วมันจะตัดจะปล่อยวางได้มันจะหายหลง มันจะไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเรามันจะถือว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเรายึงดินน้ำลมไฟมามาปั้นเป็นร่างกายก็เดี๋ยวมันก็จะพังไปพังก็ให้มันพังพอห้ามมันไม่ได้ไม่ไม่อยากให้มันพังก็จะทุกข์ถ้าเฉยเฉยเฉยก็จะไม่ทุกข์คำถามจะคสันบีบีค่ะ อนัตตาธรรมที่มีหัวขาแขนแล้วนิ้วและเล็บก็งอกการยึดติดสั่งโยสิวิปัสสุกิเลสิบจะงอกหรือเปล่าครับพูดอะไรไม่รู้เรื่องไหมพูดเละเท้เหมือนกัไนไอ้วดรู้เนี่ยแต่ปวดรู้แต่รู้ แ, แบบไม่รู้เรื่องอะไรปวดรู้แบบไม่รู้เรื่อง ยิ้นคำถามกามาใหม่เรามันโง่เราไม่ฉลาดจริงระดับวิปัสสนุงอกเราไม่เคยได้ยินว่าวิปัสสนุมันงอกไะคําถามจากคุณมานะเมื่อเจ็บป่วยเราควรจะรักษาด้วยหมอหรือธรรมโอสถดีครับถ้าเราปฏิบัติเราก็ต้องเอาธรรมโอสถก่อนเพราะว่าร่างกายนี้ ร, รักษาไงถึงแม้มันจะหายเดี๋ยวมันก็ต้องมาเจ็บอยู่ดี แล้วเราก็จะไม่สามารถรักษาใจได้ดังนั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรักษาใจก่อนเช่นเวลาเราเจ็บ่ายได้ป่วยบางทีเราปล่อยให้มันเจ็บไปแล้วเรามาวัดใจเรามาทดสอบใจเราว่าเราปล่อยมันได้หรือเปล่ามันเป็นข้อสอบถ้าเราอยากจะทำข้อสอบก็ต้องให้มันป่วยมันถึงจะทาได้ตอนที่มันไม่ป่วยมันก็เป็นการทาการบ้านคิดว่าเดี๋ยวรา่างกายเราต้องเจ็บมันก็คิดได้ แต่มันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันยังไม่รู้มันจะมารู้ตอนที่มันเจ็บจริงๆป่วยจริงๆแล้วปล่อยมันได้หรือเปล่าไม่รักษามันได้หรือเปล่าปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่าปล่อยได้ใจหายหายป่วยแล้วเพราะใจหายป่วยถ้ามัเกิดหายเกิดร่างกายยังไม่ตายต่อไปก็รักษามันก็ได้ไม่รักษามันก็ได้ไม่สาคัญเพราะร่างกายนี้รักษายังไงสักวันนึงมันก็รักษาไม่ได้อยู่ดี งั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องเอาธรรมโอสถก่อนเพราะมันเป็นเป็นนางวันหรือเป็นเป็นข้อสอบของเราที่เราต้องทําให้ได้เพราะถ้าเราทําได้แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายคําถามจากคุณอุบลรักษ์ภาวนาพุโทโธตลอดเวลาแต่จิตยังไม่นิ่งพอต้องมีเรื่องคิดนั่นคิดนี่ตลอด โดยเฉพาะคนใกล้ตัวทำให้จิตไปคิดอยากให้ขอทำตามความอยากของเราขอคาแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะก็ไปเปรกเว่ยไงแยกกันอยู่อย่าอยู่ใกล้กันคำถามจากคุณพลค่ะเคยมีคนมายืมเงินหกพันให้เพราะความเกณฑใจใจก็คิดว่าไม่ได้คืนหาก เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกจะทําอย่างไรดีครับเพื่อไม่ให้ตัวเราและผู้อื่นเสียหายเสียความรู้สึกค่ะเออก็เขามีคำสุภาษิตของคนจีนยังไงไม่ทราบว่าถ้าคุณโกหกเราครั้งหนึ่งนี่เป็นความอ่าอเป็นความน่าเกลียดของคุณถ้าคุณโกหกสองครั้งเนี่ยเป็นความน่าเกลียดของเราเป็นความโง่ของเรา ที่ปล่อยให้คุณมาโกหกเราได้ซ้ำสองถ้างท mm hmm. าก็โกหกครั้งแรกแล้วครั้งที่สองก็บอกว่า sorry bye bye <laughs> คำถามจากคุณเจการที่เราอยู่กินกับสามีมาหลายสิบปีแต่อยู่ๆมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาสามีละทิ้งไม่รับผิดชอบลูกเลยอย่างนี้ถือว่าเราได้เคยทำกรรมร่วมกันมาใช่ไหมคะ เราจะต้องทำใจอย่างไรเจ้าคะถึงจะโปรงได้อ๋อมันเป็นอนิจจังเมันี่ยที่สอนเนี่ยมันเป็นอนิจจังของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวถ้าเดี๋ยวมันก็เวลาถึงเวลาเขาก็จากเราไปเขาไปเป็นของคนอื่นอนัตตาไม่ใช่ของเราแล้วเดี๋ยวเราไม่มองซอนทีไรก็ลืมทุกทีบให้ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปมองชาติก่อนชาติหน้าหรอกไม่สาคัญ เอาของจริงเดี๋ยวนี้ดีกว่าถ้าเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เพราะมันจะไม่อยากได้อะไรอชาติก่อนชาตินุนจะทําอะไรมาก็ไม่มีไม่มีผลกับเราเพราะว่าใจเราไม่ยึดไม่ติดกับทุกของทุกอย่างแล้วงั้นใครนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยได้เห็นของจริงแล้วเนี่ยหน้าปัญญาน่าจะเกิดแล้วน่าจะร้องอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วหนออย่างพระเจ้า สอนอัญญาณโกนัญะโกนัญะบอกเห็นแล้วหนอเห็นแล้วหนอสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสามีก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสามีก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นแล้วถ้าเห็นแล้วเข้าใจก็จะบรรลุธรรมได้อย่าไปคิดถึงชาติก่อนชาติหน้านี้แสดงว่ายังยังไม่เห็นยังไม่เห็นธรรมยังยังยังหลงต่อไป เดี๋ยวเจอคนใหม่ก็หลงรักเขาอีกนะ้ต้องคิดว่าเขาไม่เหมือนคนนี้ต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมคนนี้ต้องดีกว่าคนนั้นแน่เน่แต่ที่ไหนได้ก็เหมือนกันเน่เพราะมันมันต้องแก่เจ็บตายเนี่ยมันยังไงก็ต้องแก่เจ็บตายต้องมีการพัดภากจากกันอยู่ดีคำถามจากคุณพิมพร มีหลายคนชอบพูดว่าเวลาที่เราทำอาหารไปใส่บาดใส่แบบไหนก็จะได้แบบนั้นเช่นไข่าดาวไข่ต้มแล้วชาตินาถถ้าเราตายไปจะต้องกินแบบที่เราใส่บาตรไปค่ะขอความแนะนำด้วยค่ะคิดยังไงก็ถูกแล้ว <laughs> เราอยากกินอะไรก็รใส่ของที่เราอยากกินไปทำไมเราเรากินเองเราใส่เราซื้อของที่เรากินได้พอจะให้คนอื่นเรากลับให้ของเดินเี้าทาไมยังไ เราก็ให้ของที่เราชอบของที่เรารักจะกินลแล้วต่อไปเราก็จะได้ของที่เรารักเราชอบกลับมาให้อะไรไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาไอคิดอย่างนี้ก็แล้วกันจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้อะ่ะคําถามจากคุณชนะตนฟังธรรมพระอาจารย์เห็นตามด้วยหมดแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นจริงจะต้องพิจารณาบ่อยๆจนเห็นความจริงตลอดเวลาแล้วจะหายลง แล้วมีอุเบกขาไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะก็ไม่รู้ล่ะอุเบกขานี่มันบางทีมีปัญญาถ้ายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีอุเบกขาก็ต้องอาศัยสมาธิต้องทําสมาธิแต่ถ้าพิจารณาแล้วตัดได้ก็แสดงว่ามีอุเบกขาพออันนี้มันก็ต้องดูเอามันต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งอุเบกขามีทั้งปัญญาเห็นโทษเห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้ แล้วก็จะหยุดมันคําถามจากคุณปู่อยากไปทํางานที่ใหม่เพื่อฟ้าชายัยแต่อยู่ไกลบ้านแบบนี้จะเรียกว่าอากตันยูใหม่ครับอกตศันยูตรงไหนล่ะไปออกจากบ้านไปเลยอไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ไม่หรอกอยู่ไกลถ้าเลี้ยงดูพ่อแม่คอยดูแลและ่ะคอยช่วยเหลือพ่อแม่รับใช้พ่อแม่เวลาพ่อแม่เขาต้องการความช่วยเหลือ ก็ไม่ไม่ไม่ไม่อกตัญอยู่อยู่บม er ืองนอกก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้ได้ไม่ต้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม่ม <source> ีเงินมันสู้อยู่ใกลมีเงินดีกว่าอยู่ใกล้ไม่มีเงินดีไม่ดีไปเบียดเบียนพ่อแม่ซะอีกให้ขอพ่อแม่กินได้อีกนั้นอยู่ที่ว่าเราทําประโยชน์ให้กับพ่อแม่ได้หรือเปล่าไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลถ้าเราทําประโยชน์ให้กับพ่อแม่ได้ก็ถือว่าเราไม่อกตัญอยู่เรากรตันอยู่ แต่ถ้าเรามีแล้วเราไม่ช่วยเหรือพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่เลยไม่ทําประโยชน์ให้พ่อแม่อันนี้ก็เรียกว่าอักตันอยู่ได้ครัำถามจากคุณกันที่กล่าวว่านิพพานอยู่ในปัจจุบนันหมายความว่าอย่างไรครับอทุกอย่างมันก็อยู่ในปัจจุบนันทั้งนั้นอะตอนนี้ใจของเรามันเป็นกิเลสไม่ใช่เป็นนิพพานานั่นีอปัจจุบันของเราตอนนี้มันเป็นกิเลสมีโลภโกรธหลงพอเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอ กิเลสตายไปหมดนิพพานมันก็ปรากฏขึ้นมามันก็เป็นปัจจุบันเพราะความจริงมันมีแค่ปัจจุบันเนยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเชื่อไหมตอนนี้ะตอนนี้เป็นปัจจุบันะเราอยู่ตรงนี้อดีตมันผ่านมาแล้วใช่ไหมมันหายไปแล้วใช่ไหมเมื่อเช้านี้ไปดึงมันกลับมาได้ป่ะพรุ่งนี้ไปดึงมันมาได้ป่ะมันก็มีอยู่แค่ปัจจุบันนะปัจจุบันที่มันไหลมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปตามเวลา แต่มันเป็นปัจจุบันตลอดเวลาฉะนั้นอดีตอนาคตมันออกจากปัจจุบันออกจากความคิดของเราเราไปคิดถึงมันก็เลยมีอดีตขึ้นมาคิดถึงเมื่อวานก็เลยมีอดีตพอคิดถึงพรุ่งนี้มันก็มีอนาคตแต่ความจริงมันไม่ถ้าเราไม่คิดมันไม่มีหรมันก็มีแค่ปัจจุบันมีแค่เดี๋ยวนี้เท่านั้นอแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่ดูหรอกถ้าเราหยุดคิดแล้วเราถึงจะรู้ว่าไม่มีอนาคตไม่มีอดีตมันอยู่แค่มันมีแค่ปัจจุบันเท่งนั้นเอง อดีตอนาค ต, ตมันออกจากสังขารความคิดปรุงแต่งของเราสัญญาความจาําของเราเท่านั้นเองความจริงแล้วมันไม่มีมันมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันที่เคลื่อนไปเรื่อยๆตามพระอาทิตย์ตามเวลาใช่ไหมมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆปัจจุบันตอนนี้คืออะไรสามงยี่สิบเนี่ยใช่มสามโงยี่สบปัจจุบันตอนนี้คือสามโงยี่สบกับสองนาทีสองวินาทีมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆปัจจุบั น, นออ ม, มนันมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆ แล้วทุกอย่างก็เคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าถ่ายภาพนี่มันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวคนนั้นขยับแขนคนนี้ขยับหน้าขยับตาเห็นไหมงั้นก็มีการเคลื่อนไปเรื่อยๆเห็นแต่เรปัจจุบันมันมันจะไม่เหมือนกันเข้าใจไหมพวกแก น, นี่คงจะเข้าใจนะง <c oughs> ั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตของความจริงแล้วมีแค่ปัจจุบันแต่เราชอบไปอยู่อดีตกันชอบไปอนาคตกัน ชอบคิดถึงคดีที่หวานคิดแล้วก็เศร้าวหวานอยากจะกลับไปคดีแล้วก็คิดถึงอนาคตที่แจ่มใสปัจจุบันมันรู้สึกมันค่อนข้างจะซึมเศร้าก็เลยฝันถึงอนาคตเดี๋ยวจะไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปทำนี่เดี๋ยวจะไปแต่งงานกับคนนั้นไปแต่งงานกัน <c oughs> ก็เกิดอนาคตขึ้นมา อนาคตจริงๆไม่ชิดเนี่ยเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเนี่ยนี่คืออนาคตที่แท้จริงที่เราเราอยู่ที่ปัจจุบันจะเคลื่อนเข้าหาไปเรื่อยๆสอถามกสคุลนภณมีคนเคยถามผมผมตอบเขาไม่ได้ครับเขาว่าเราหนีพ่อแม่หนีแฟนไปบวชเป็นบาปอะไรครับเราหนีก็บาอนะถ้าหนีก็บาปแต่ถ้าเราไม่หนีก็ไม่บาป คำว่าหนีเป็นยังไงก็เรามีภาระหน้าที่ต้องทำแล้วเ่านี้ภาระหน้าที่นั้นไปถ้าเรามีหน้าที่เราก็ต้องจัดการหน้าที่นั้นให้มันเรียบร้อยไปก่อนแล้วเราไม่หนีเราบอกเขาเราบอกเขาก่อนว่าเราจะไปอย่างนี้ไม่หนีใช่ไหมถ้าหนีนี่มันต้องไม่บอกกันแต่นี้ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนถ้าเราไปทําความดีพระพุทธเจ้าก็หนีพระพุทธเจ้ารู้ว่าถ้าบอกก็ไปไม่ได้ ลอกเดียวพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งทหารมาอาลักขาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงตายไม่ได้ก็เลยบอกไม่ได้อาการหนีไปทําความดีไม่เห็นเสียหายตรงไหนอถ้าหนีไปทำหนีไปมีแฟนใหม่อย่างเงี้ยไม่ดีใช่ไหมหนีหนพีพ่อแม่เพราะไม่เบื่อไม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเงี้ยไม่ดีแต่หนีเพื่อไปทําความดีหนีเพื่อไปไปรักษาจิตใจให้พ้นจาก โรคภัยไข้เจ็บจิตใจเราก็เหมือนร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายเราไปโรงพยาบาลกันหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าหนีหรือเปล่าเวลาจิตใจไม่สบายเราไปรักษา่นี้เรียกว่าหนีหรือเปล่านะเวลาเราไ ป, ปไปบวชไปปฏิบัติก็เหมือนกันเราไปโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยวันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลโรคจิตรั <laughs> กษาลโรคจิตก็คือความทุกข์ใช่ไหมมีธรรมะโอสถเนี่ยเป็นยา ว่านั้นนะอหลวงพ่อบอกว่าให้ให้บอกจิตให้มันหยุดให้บอกขันท้าให้มันหยุดคิดอะไรแบบเนี้ยอก็หยุดได้สอบด้วยบอกด้วยปัญญาไงถ้ารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ก็จะหยุดคิดถึงมันอือบางครั้งมันไม่ยอมหยุดเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ยังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่ยังเป็นของเราอยู่ยังเป็นของเราอยู่ บางทีคิดเรื่องที่ไม่ไม่คนจะคิดทำให้เป็นทุกข์หรือบางทีก็โกรธมันแล้วก็ไปตุแดดว่ากันไม่ปวดฉีพพดสพราะูสอนเราเี่ยพอเราหยุดมันไม่เป็นเราต้องฝึกสตินะวิธีที่จะหยุดมันเบื้องต้นก็ใช้สติเพราะปัญญาเราไม่มีปัญญาเราต้องใช้สติก่อนสติพอหยุดแล้วต่อไปเราก็พอจิตมันนิ่งมันสงบเป็นอุเบกขาแล้วก็จะสอนทางปัญญาได้ง่าย จานั้นมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ที่เมื่อสักครู่นี้ชื่อไอเบอ ร, รี่่ก็ถามเรื่องเขาจะทให้อไอ้ที่ที่มันทำมที่เราเจด จ, จไว้อะไรแบบนี้ค่ะให้มัน i n t e r n a l ให้มันเข้าก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆไงเหมือนท่อง ส, สวดคูนเนี่ยบทสวนมนเนี่ยมีวิธีเดียวก็คือต้องท่อต้องท่องบ่อยๆ คือตรงนั้นก็คือเป็นตัวเข้าไปถึงตัวถีติจิตเลยหมายถึงว่าไอ้ตอนตัวสัญญาณนี่มัอยู่ลายจิตใช่ไหมคอ่าอยู่ข้างนอกจิตเนี่ยแล้วหนึ่งเป็นเข้ามาเวลามันเข้าไปข้างในแล้วถูกตัวตัวนั้นก็เป็นมันก็จะทันไงเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตเนี่ยพอเรากิเลสโผลขึ้นมาแล้วก็รู้มันโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาฆ่ามันได้เลยถ้าอยู่ข้างนอกบางทีวิ่งไปหาเหมือนเรามีอาวุธปืนเนี่ยเราไม่พกติดตัวไว้เราไปใส่ไว้ในตู้ พอโจรก็ม า, ากว่าจะหาหาปืนเจออ่ะมันมันฆ่าเราก่อนนะอ่า อ, อย่เราต้องพกอาวุธพกปัญญาให้มันอยู่กับคู่กับใจตลอดเวลาสามารถชักออกมาใช้ได้ทันทีก็คื อ, อว่าเราสอนนึกว่าเปิดทีติวว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเนยทุกอย่างเป็นกระดูกครงกระดูกเนี่ย ไม่มีดาราไม่มีอไม่มีนายแบบนางแบบไม่มีนางงามจักรวาลมีแต่กระดูกจักรวาลพ่สุดท้ายคุณหลวงพ่อสมติว่าเราห้ามขัดห้ามใจตัวเองเราอยากเราอ็ของบางอย่างก็ต้องฝืนมันแล้วฝืนมาได้สักสองสเดือนแล้วก็ไปทดสอบอยู่ทั้งหน้ามันดูชว่าเราจะอยากไหมก็ส่วนว่าเราห้ามห้ามใจเราได้สักครั้งสองครั้ง หมายถึงว่า่าเราต้องคอยทดสอบเรื่อยๆรือว่าเราวางใจไปได้เลยหรอไม่ต้องก็แล้วแต่จะวางไม่วางก็ต้องดูว่ามันมันยังอยากมันยังความอยากยังโผล่มาหรล่าโผลเแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าแต่ต้องทดสอบไปเรื่อยๆความอยากมันอาจจะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ยังอยากไปยุ่งกับมันก็แสดงว่ามันยังอยากอยู่มันหลอกเราให้เราไ ป, ปา อ, อมันมันหลอกให้เราทดสอบดูไ ม, ไม่เห็นว่าเป็นขี้เนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นขี้เราจะไม่อยากอะกินขี้นี้ของทุกอย่างที่เรากินนี่มันจะกลายเป็นอะไรไปอใช่ไหมมองไม่เห็นเห็นว่ามันเป็นของน่า ก, กินพอมันออกมาจากร่างกายเรานี่ออไม่น่า ก, กินแล้วใช่ไหมไปแปลงมันท่าหน่อยไปแปลงสภาพมันท่าหน่อย อยากอาหารเป็นอุจาระไปเราต้องมองย้อนกลับมองย้อนสอนดัดกิเลสต้องย้อนสอนดูอาหารที่มันออกมาไล่มันจากส้วมกลับเข้ามาที่ปากเราเี Rever าย reverse engineering เข้าใจไหมดูเปลี่ยนทิศทางเดินของอาหารจากส้วมกลับเข้ามาในร่างกายเราทางก้นแล้วก็ออกมาทางปากก็ไปสูญไปกลับไปอยู่ในจานใหม่ ก็ไม่หรอกพอถึงเวลาเราก็หยุดไงต้องหยุดมันพอมันเริ่มไม่ไม่ไม่อยากกินแล้วก็ต้องหยุดถึงเวลาอยากกินก็ต้องบังคับมันให้กินพอเราหยุดยาเดี๋ยวมันก็มันก็พอเราหยุดคิดมันก็เดี๋ยวมันก็กินได้พอเรายังไปคิดอย่างนั้นคิดไม่หยุดมันก็จะกินไม่ลงมีบางคนปฏิบัติแล้วกินไม่ลงไปสอบถามหลวงตาหลวงตาก็ให้คิดอีกแบบหนึ่ง ไอ้คิดว่ามันเป็นการเติมธาตุอาหารก็เป็นธาตุร่างกายก็เป็นธาตุถึงเวลาก็ต้องเติมให้มันเหมือนรถยนต์ตอนน้ำมันหม่อยก็ต้องเติมน้ำมันให้มันก็เลยกินได้ไอ้คิดว่าเป็นธาตุอย่าไปคิดว่าเป็นอุจจาร ะ, ะเปลี่ยนเปลี่ยนมุกใหม่กิเลสมันฉลาดเรื่อมันหลอกเราเองหลอกให้เราไม่กินเดินฆ่าเราตายอย่างนี้ก็ผิดอีกอย่างเมื่อวานนี้ที่แอนานาก็ถามนะคะที่เป็น eating disorder ใช่เพราะมองเห็นอาหารที่ลายน่ากินทุกทีไม่มองเห็นตอนที่มันไม่น่ากินตอนที่มันอยู่ในปากเคี้ยวผสมกับ น, น้ำลายเวลาบ้วนออกมานี่ดูคลายมันออกมานี่กินไหมเวลาอาเจียนกลับออกมาจากท้องนี่น่ากินไหมมันก็อาหารที่น่ากินทั้งนั้นไม่ใช่เลยให้ให้ reverse engineering มองนะมองกลับมองมุมกลับมองย้อนสอน มันจะได้มันจะได้ทานกิเลสแล้วก็กินได้ไม่ให้ห้ามเรื่องกินเรื่องต้องกินกันทุกคนแต่กินแบบกินยากินให้เกิดประโยชน์กับร่างกายอย่าไปกินให้เกิดโทษกับร่างกายกับจิตใจกินด้วยความอยากนี่เป็นโทษกับจิตใจเพราะมันอยากจะกินอยู่เรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยกินอยูนี่มยังอยากกินอยู่นะเป็นยังไงเคซี่หิวน้าเหรอ <c oughs> <c oughs> มีคําถามก้อนนี้ไหมอ่ะก็ <c oughs> ามาคําถามจากคุณพัชราค่ะอุเบกขาจะเกิดต้องเจอทุกเองแล ะ, จะเจริญปัญญาได้จึงปล่อยวางได้ใช่ไหมคะเราสามารถอุเบกขาได้จากการเห็นทุกข์ของผู้อื่นไหมคะไม่หรอกถ้าไม่มีสติมันไม่มีวันที่จะเข้าถึงอุเบกขาได้เห็นทุกข์มันก็ทุกตามเขาเอกใจก็ ป่วนไปกับสิ่งที่เราเห็นมันไม่อูเบคขามันจะเบคขาก็ต้องเนี่ยมีสติดึงเข้าไปคำถามจากคุณเกียงไกพระอริยะหุคคลที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์หากเกิดความล่าช้าจะช้าถึงขนาดข้ามพัดกับหรือไม่ครับไม่เจ็ดชาติเท่านั้นเองแค่เจ็ดชาติพระโสดาบันเนี่ยถ้าเกิดมีอุบัติเหตุตายไปก่อนก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดครั้ง ก็จะบรรลุดได้เช่นอะไรเช่นบุคคลที่ได้ไปโสดาบันในสมัยนี้จะไปบรรลุพระอรหันต์หลังจากยุคพระสีอริยะเมตไตรหรือไม่ครับก็ไม่รู้แหละก็ไม่เกินเจ็ดชาติของการมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมันจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะการจะกลับมาเกิดแต่ละครั้งเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่รู้ว่าเร็วหรือช้าแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันพระอริยะบุคคลมันน่าจะกลับมาเร็วอ่ะ เามันไม่ต้องไปใช้กรรมนายบายคำถามจากคู่ไม่ประสงค์ออกนามอยากให้พระอาจารย์เล่าตอนไปปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตากมีความลําบากไหมคะอาหารการกินเอ่ไว้วันไหนอยากจะเล่าเราจะเล่าไหังว <c oughs> <c oughs> ันนี้ยังไม่อยากคำ <c oughs> ถามจากคุณบาซิลินมักมีองค์แปดมีอะไรบ้างครับ แล้วรเราเอามาร์กที่มีอยู่แปดข้อมาใช้ในชีวิตประจาวันในการทํางานได้ไหมครับได้มาร์กมีองศางก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่ากฎแห่งกรรมนี่เป็นของจริงทําดีได้ดีทํำชั่วได้ชั่วทําบุญแล้วมีความสุขใจตายไปไปสวรรค์ทําบาปแล้วมีความทุกข์ใจตายไปไปเกิดในอบายนี่ก็มีเรียกความเห็นที่ถูกต้องพ ว, วามเห็นที่ถูกต้องก็จะคิดไม่ทําบาปคิดแต่จะทําบุญ เวลาทำอะไรก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีอันนี้ก็เป็นสัมมากัมมันโตสัมมาสังกโปรก็คื อ, ค, อความคิดที่ถูกก็คิดว่าบุญจะทำแต่บุญไม่ทำบาปการการะทาที่ถูกก็คือสัมมากัมมันโตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เดื่มจุรายาเมาสั ม, มาวาจาก็คือไม่พูดปด ไม่พูดคำหยาไม่พูดเพอร์เจอร์ไม่พูดส่อเสียดเ้วก็สัมมาอาชีพก็จะทำอาชีพที่ไม่เป็นทำให้พูดอื่เขาเดือดร้อนไม่ขายเป็ดขายไกย่ขายอะไรที่เขาจะเอาไปฆ่าอย่างถึงแม้เราจะไม่ฆ่าเองก็ตามไม่ค้าสุรายาเมาเครื่องดักสัตว์เครื่องฆ่าสัตว์ต่างๆเพราะจะส่งเสริมให้มีการฆ่ากันก็จะไม่ทำอาชีพเหล่านี้ สัมมาวายาโมคือความเพียรชอบก็คือเพียรทำบุญละ บ, บาปสัมมาสติก็ฝึกสติให้จิตอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตตามความคิดต่างๆสัมมาสมาธิก็นั่งสมาธิาธทำจิตให้นิ่งสงบเป็นอุเบกขานี่ก็คือมีมรรคที่เป็นองค์แปดมรรคนี้ องแปดนี้ความจริงท่านสอนให้พระให้ผู้ปฏิบัติญาโยมก็ไปปฏิบัติได้แต่ปฏิบัติได้น้อยได้บางเวลานั่นเองแต่พระปฏิบัตินี้เขาปฏิบัติทั้ ง, งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเองคำถามจากคุณจูไดรัตถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นเห็นอยู่ว่ามันอยู่ในจิตพยายามต่อสู้กับความโกรธต่อสู้กับตัวเองเข็นอารมณ์ที่ร้อนรุ่ม พยายามหาเหตุผลที่จะคุยกับจิตตัวเองแต่ก็เอาไม่อยู่ดับไม่ดับเจ้าค่ะท่านพระจะมีวิธีไหนบ้างคะก็มีสองวิธีวิธีที่ง่ายก็คือใช้สติใช้พุทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปหรือห ล, ลบไปหลบมุมไปอยู่มุมไหนอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์อย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปเห็นสิ่งที่ทาให้เราโกรธคนที่เราโกรธ ถ้าไปแล้วยังโกรธอยู่ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธท่องไปอย่าให้ไปคิดถึงคนที่เราโกรธเรื่องที่เราโกรธเดี๋ยวสักพักเราก็ลืมแล้วความโกรธก็จะหายไปอันนี้วิธีหนึ่งก็คือดึงใจดึงกายออกจากเหตุการณ์นั้นดึงกายก็ย้ายสถานที่ดึงใจก็ให้อยู่กับพุโทโธอย่าให้ไปอยู่กับเรื่องที่ทำให้เราโกรธอันนี้ก็จะแก้ได้ชั่วคราวพอเรากลับไปคิดถึงใหม่ก็โกรธขึ้นมาอีก วิธีที่จะแก้อย่างเช้าวันก็ไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธอะไรทําให้เราโกรธเราโกรธเขาเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาทําอะไรให้เราใช่ไหมขอให้เขาช่วยไปเอาเงินนั่นให้หน่อยพอเขาไม่เอาให้เราเราก็โกรธเราก็อย่าไปอยากเลยเราก็อย่าไปใช้เขาเลยต่อไปก็อย่าไปอยากได้อะไรจากเขาเราเราก็จะไม่โกรธเขาเขาจะทําอะไรเราก็จะไม่โกรธเห็นไหมคนที่เราไม่รู้จักเราไปโกรธเขาไหมเพราะเราไม่ได้ไปอยากได้อะไรจากเขา แต่กนที่ใกล้ตัวเร า, น เ, ร า, า, เ, า เ, เนี่ยเรามักจะโกรธเขาเรืยเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ตัวามักจะโดนเลยเพราะเรามักอยากอยากจะให้เขาทานู่นทํานี่ให้กับเราเราก็ไม่ทําให้เราเราก็โกรธเขาเก็อย่าไปอยากปัญหาของความโกรธก็เกิดจากความอยากความอยากก็เกิดจากความไม่มีความสุขในตัวเองก็ต้องกลับมาทําสมาธิทําใจให้สงบ พ, พอใจมีความสงบมีความสุขแล้วก็จะไม่ไปอยากให้ใครก็ทําอะไรให้เรา ผิดสิข้อการเมหรือไม่ครับถ้ายังไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกันก็ยังไม่ผิดในหนังสือของหลวงปู่มั่นที่กล่าวว่าทำของพระคถาคตเมื่อเข้าไปประดิษฐ์สถานในสันดานของปุถุชนแล้วย่อมกลายเป็นของปลอมแต่ถ้าเข้าไปประดิษฐ์สถานในจิตของสันดานของพระอริยะเจ้า ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงหมายความว่าอย่างไรครับก็เหมือนกับอาหารเนี่ยถ้าอาหารเอาไปใส่จานที่สปกปรกอะอาหารมันก็สกปรกไปด้วยในชะ่ไหมแต่ถ้า อ, าอาหารไปใส่ในจานที่สะอาดอาหารนั่นก็สะอาดทําตอนต้นก็ที่เข้ามาในใจของพวกเรามันยังเป็นธรรมที่มาแปะเปื้อนกับกิเลสเราอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมแท้เป็นธรรมแท้ต่อเมื่อเรากําจัดกิเลสในใจให้หมดไปแล้ว การทำที่เหลืออยู่ก็จะเป็นธรรมแท้ขึ้นมาการคําคสอนของพระอริอยเจ้ากับคนสอนคําสอนของคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอริอยเจ้ามันไม่เหมือนกันเป็นธรรมมันเดียวกันแต่แต่เวลาเทศน์นี้ฟังกันเป็นคนละเรื่องไปเลยเข้าใจไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะเอาแล้วนะวันนี้คิดว่า คงจะพอสมควรกับเวลามีเรื่องราวมากมายกายกองที่เราได้พูดได้คุยกันขอให้จดเอาจำแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เถิขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ